วันเสาร์นี้ก็คงเป็นรายการต่อจากเมื่อวันวันที่หนึ่งนะะคือเพาว่าเทศกาลช่วงปีใหม่นี้เรามาเรียนเรื่องวิสุทธินี่นะวิสุทธินี้โดยศัพท์แปลว่าความบริสุทธิ์ซึ่งความบริสุทธิ์นั้นมีอยู่สองอย่างนั่นแหลความบริสุทธิ์จากสังขารทั้งมวลอันนี้เป็นชื่อของพระนิพพาน พระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบจากกองทุกข์ทั้งมวลเป็นธรรมชาติที่สงบจากชราและมรณะนี่มันถือว่าบริสุทธิ์จากชราและมรณะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากชาติคือความเกิดันพระนิพพานนั้นจึงชื่อว่าบริสุทธิ์จากชราและมรณะขณะเดียวกันพระนิพพานนั้นบริสุทธิ์จากพก ทั้งกรรมภพอุปภิภพพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากตัณหาและอุปาทานเพราะว่าผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานแล้วจะบริสุทธิ์จากตัณหาและอุปาทานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบจากเวทนาสงบจากสุขเวทนาสงบจากทุกขเวทนาสงบจากอุเบกขาเวทนาเป็นธรรมชาติที่สงบจากผัสสะ เป็นธรรมชาติที่สงบจากสลายตระหนะสถานิพานนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบจากนามรูปสงบจากสังขารสงบจากวิญญาณแล้วก็สงบจากอวิชชาสงบจากอาสวะสงบจากโอฆโยคะคันทะนิวรณ์อนุสัยสังโยชตกิเลสสงบจากบาปสงบจากอกุศลธรรมทุกชนิดสงบจากวัตตะสงบจากกรรมสงบจากวิบากสงบจากกิเลสสรุปว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ สะอาดบริสุทธิ์สงบจาก ส, สังสารทุกข์ทั้งมวลที น, นี้เรารู้ว่าพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่สงบประงับดับกองทุกข์ได้จริงเราก็ประสงค์ที่จะปฏิบัติปฏิปทาเพื่อให้บรรลุพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนได้บอกบอกถึงข้อปฏิบัติให บรรลุความบริสุทธิ์อันนั ân ân ้นข้อปฏิบ okay. ัติที่จะทําให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อันนั้นเรียกว่าวิสุทธิมัชวิสุทธิมัชก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานอันเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทีนี้การที่จะเข้าถึงสภาพที่บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนั้นข้อปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์จาเป็นต้องเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์ ข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์อันนั้นถ้าแบ่งออกมาตามทวารก็คือบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาแล้วก็บริสุทธิ์ทางความคิดหรือจิตใจอะรสรุปว่ามีความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและมีความบริสุทธิ์ใจถามว่าบริสุทธิ์ทางกายเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์ทางกายนั้นคือเป็นความบริสุทธิ์ที่นึกถึงแล้วไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองท่านผู้รู้พิจารณาแล้วก็ ตำหนิไม่ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอภินหารปัจเวคขณะธรรมสูตรว่าพึงพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่ท่านผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่อันนี้คือคือความบริสุทธิ์ทางกายซึ่งความบริสุทธิ์ทางกายเหล่านี้เนี่ยนะบริสุทธิ์ทางวาจาเนี่ยจนตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้ตำหนิไม่ได้เลยในสิ่งที่ทํา ตำหนิไม่ได้ในคำที่พูดนะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความกินแหนงแคลงใจผู้อื่นก็ไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองก็ไม่กินแหนงแคลงใจแล้วก็บินยูชนทั้งหลายเขาสรรเสริญนะเอาเอาเอ า, เอาคนมีปัญญานะเอาคนมีปัญญาเป็นประมาณเอาคนที่มีความรู้เป็นประมาณคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้เขายกย่องสรรเสริญไม่ถือเอาคนพัน คนพาณ น, นั้นถือเอาเป็นประมาณไม่ได้คนพาณเวลาเขาชอบเขก็ชม น, นะยกย่องเทิดทูนบูชาสักการะยามที่คนพาณชังเป็นยงไงยามที่คนพาณชังก็คือว่าร้ายป้ายสีตําหนิติเตียนถึแต่พูดอีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่าแทบจะฆ่าให้ตาเหยียบให้จมมิตรอันนั้นคือลักษณะของคนพาณฉั้นคนพาณยามชอบก็ชมยามชังก็แช่งมางั้นนะคิดง่ายๆนะชอบก็ชมชังก็แช่ง พันธุ์จึงเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาเป็นเครื่องวัดเอาเป็นประทัฐานอะไรไม่ได้เลยทีนี้เราเอาบัณฑิตเป็นประมาณบัณฑิตที่เป็นยอดของบัณฑิตทั้งหลายเป็นบัณฑิตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้อย่างไรพระองค์ตรัสทางกายอย่างไรเรียกว่ากายยสุจริตความบริสุทธิ์ทางกาย พระองค์ตรัสถึงวาจาเช่นใดว่าเป็นวาจาที่สุจริตนะนะนเราเอาเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสุดจริตทางกายทางวาจาอย่างบริบูรณ์และมีความสุดจริตใจอย่างบริบูรณ์ผลสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานเป็นประทัดฐานเป็นคงเอ่อเป็นของจริงของแท้แน่นอน <c oughs> ไม่มีเปลี่ยนนะนะเป็นของจริงของแท้ไม่เปลี่ยน ถามว่าทำไมจึงไม่เปลี่ยนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันไม่หวนกลับมาเป็นธรรมดา น, นะไม่หวนย้อนกลับมาการบริโภคบาปอากุศลอีกต่อไปฉนั้นก่ข้อปฏิบัติของพระองค์ที่ปฏิบัติจนข้ามพน้นบาปข้ามพ้นอกุศลข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นจึงบริสุทธิ์ขณะเดียวกันพระองค์ก็บรรลุถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ปราศจากกองทุกโดยทั้งมวล เมื่อพระ อ, องค์ถึงความบริสุทธิ์เช่นนั้นแล้วพระ อ, องค์ก็จะชื่นชมแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ตำหนิสิ่งไม่บริสุทธิ์พันทางกายเช่นใดเป็นกายบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็จะสมสรนเสริญยกย่องชมเชยทางกายแบบนั้นทางวาจาเช่นใดเป็นวาจาที่บริสุทธิ์เป็นวาจาที่ไม่มีโทษพระ อ, องค์ก็จะชื่นชมวาจาเช่นนั้นเพราะกายวาจาเหล่านั้นเป็นบาตรให้ถึงความบริสุทธิ์ เป็นบาดให้บรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะมหาวิสุทธินั่นเองทีนี้เราทั้งหลายถ้าเราประสงค์ความพ้นทุกขประสงค์เข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะถือว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นของดีของของประเสริฐซึ่งนํามาซึ่งวิสุธทธิอ่ะนะวิสุธทธิคือความบริสุทธิ์หรื อ, เ, อเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนานั้นก็คือความสุขที่สงบจากวัฏะสงสาร สงบจากกองทุกข์ทั้งมวลนั้นกายวาจาใจของเรานั้นสมควรหรือไม่ที่จะเข้าถึงความบริสุทธ์เหล่านั้นนะพอไหมอ่นนะพอไหมการศึกษาทาพีในตอนนี้ก็คือศึกษาแนวทางเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสุตตะหรือ่าอยู่ในระดับของสุตตะฟังไปก่อนทำความเข้าใจเอาไว้ก่อนถึงตอนนี้ยังประพฤติความบริสุทธ์อะไรไม่ได้ แต่ก็ตั้งเป้าหมายตั้งอัธยาศัยว่าบุญกุศลการฟังของเราเราการฟังของเราการปฏิบัติตามของเราขอจงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ถึงตอนนี้ยังไม่บริสุทธิ์แต่ตั้งอัธยาศัยไว้แล้วละนี่นะทั้นอัธยาศัยเนี่ยนะที่ตั้งเพื่อความบริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นผลมาจากการให้ทานเมื่อให้ทานเสร็จแล้วก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อความบริสุทธิ์ สมาทานศีลสมาทานศีลเสร็จก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อความบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าตั้งความปรารถนาให้ทานสมาทานศีลหรือโดยที่สุดแม้กระทั cracking, ่งการฟังธรรมที่บริสุทธิ์ฟังอริยสัจเจที่บริสุทธิ์ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อความบริสุทธิ์เจริญกุศลใดๆที่เป็นกุศลที่บริสุทธิ์ก็ตั้งเป้าหมายตั้งอัธยาศัยเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยนะ ถ้าหากว่าเจริญกุศลเหล่านี้ที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทํำยังไงเราจะปฏิบัติได้อยา่างบริสุทธิ์ผุดพองนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญความรู้เช่นใดที่จะทําให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์นั้นกายวาจาใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นทางตรงเป็นทางดีผู้ที่ปฏิบัติด้วยกา ย, ยสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีในโลก ผู้ที่ปฏิบัติไม่มีความคดความโกงทางกายวาจาใจเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงในโลกที่เราชื่นชมยกย่องสรรเสริญสนนู่ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเนื่องจากท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีความสุดจริญทางกายมีความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและบริสุทธิ์ทางใจไม่มีความคดความโกงทางกายวาจาและใจตัวหลักๆบาปอากุศลที่ทาให กายวาจาใจเป็นกายวาจาที่คดเป็นกายวาจาที่โกงนนเป็นสภาพจิตที่งองเป็นสภาพจิตที่ไม่ตรงอันนั้นก็คือตัวหลักๆเลยอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะเห hey, ตุปัจโยความโลภเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความคดทางกายวาจาและใจความโกรธเป็นเหตุให้คดทางกายวาจาและใจ ความลุ่มหลงความไม่รู้จริงความมืดความบอดความไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งหลายความหลงเหล่านั้นนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความคดทางกายวาจาและใจความโลภความโกรธความหลงความต้องการความทะเยอทยานความห้อยหิวด้วยอานาจบาปอกุศลนี่แหละทาให้กายวาจาใจไม่ซื่อตรง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยวิสุทธิเจ็ดเป็นคำสอนเพื่อดัดความคดอนะดัดความงอตั้งเอาไว้ให้ให้ตรงตรงทางกายวาจาและใจทีนี้สรุปเทบทวนว่ากายวาจาใจที่ไม่คดไม่โคง้งไม่กองไม่งอเลยเป็นยังไงก็เป็นไปทางศีลเนี่ยนะเป็นไปด้วยศีลคําว่าศีลซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าศีละนะ รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะีณะรองอ่ะเพไปสีละณนะเนี่ยคือความควบคุมทางกายและวาจาเป็นกายวาจาที่ไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายแปดเปื้อนไปด้วยบาปและอะกุศลนั่นลักษณะของสีละณะเนี่ยนะสีระณน ะ, ะนะคือไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายเลยะนะที่ที่สีละณนะตัวนี้มีอัตถว่าสมาทานัง มายว่าไม่เกลือนกลนไม่กระจัดกระจายไม่ไม่แปดเปื้อนด้วยบาปด้วยอกุศลเลยแล้วก็อุปธารนังเป็นกายวาจาที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงรองรับคุณธรรมชั้นสูงสิ่งใดก็ตามกุศลธรรมเหล่าใดก็ตามที่สา ม, มารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเวลานึกถึงแล้วไม่ลำบากใจนึกถึงแล้วไม่ลำบากใจแต่โดยมากหมู่สัตว์ทั้งหลาย นึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดโดยมากแล้วกินแหนงใจตัวเองใช่ไหมไม่น่าเลยเนี่ยนะไม่น่าพลาดเลยไม่น่าเลยทําไมต้องไปทําอย่างนั้นเนี่ยนะโดยมากจึงเป็นคนที่หวนกลับไปตําหนิตัวเองเป็นปกติเนี่ยนะตำหนิถึงตัวเองเป็นปกติก็เหมือนกับคนมีแผลโล่ไปตรงไหนอ๋อนั่นก็แผลนี้เกิดจากความพลาดตรงนั้นอัะนนะนึกถึงตรงนั้นก็อ๋อเป็นแผลกลัดน้องที่เกิดจากไปกระเทือนมาจากตรงนั้น ก็คือเป็นคนที่กระทบกระทั่งกระทบกระทั่งผู้อื่นกระทบกระทั่งตนด้วยกายวาจาและใจก็เลยกินแหนงแคลงใจตัวเองศีลเหล่านี้ก็เลยไม่ดีศีลไม่ดีเพรันศีลอย่างที่ว่าอัตตสาระของศีลก็คือกายวาจาใจไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายในขณะเดียวกันศีลเหล่านี้สามารถที่จะเป็นคุณธรรมรองรับคุณธรรมชั้นสูงเป็นคุณที่รองรับคุณชั้นสูงได้เนี่ยนะรองรับคุณชั้นสูงได้ถ้าศีลดี เจริญสมถะได้ทันทีโดยที่เรียกว่าไม่ต้องมาตรวจสอบตัวเองอ น, นะเหมือนกับอย่างว่าเหมือนอย่างว่าคนที่ที่เป็นฐานะบดีคนที่บริจพร้อมที่จะให้ทานนะเป็นประดุจคนที่มีมืออันล้างแล้วหมายเขา้ามาหยิบให้ได้ทันทีไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนเพื่อแล้วเอามาหยิบของให้อันนี้ไม่จําเป็นเป็นคนสะอาดเป็นนิดเนะเป็นคนสะอาดเป็นนิดอันนี้เมื่อสะอาดอย่างนั้นแล้วก็สามารถพร้อมที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้ทันที รองรับที่จะเจริญอนาพิชาก็ได้เจริญเนคขมะอย่างใดก็ได้เจริญเนคขมะคือเนคขมะวิตกเจริญอสุภะเจริญอาการสามสิบสองเจริญปฏิกูลมณสิการเจริญกรรมฐานเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังกานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติก็เจริญได้ทันทีโดยที่เรียกว่าไม่ต้องย้อนกลับมาสมาทานศีลเสียก่อนเพราะมีความบริสุทธิ์ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าคนที่ยังไม่บริสุทธิ์ดีอยู่แล้วล่ะก็สมาทานสมัยสมาทานเสียก่อนก็ต้องหมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานหมั่นปราโรคบ่อยๆนะอย่าเบื่ออย่าหน่ายในการสมาทานเหมือนอย่างว่าคนที่มีแผลแผลนี่มันกลัดหนองเป็นต้นอย่าเบื่อหน่ายในการล้างแผลเพราะว่าถ้าเบื่อหน่ายในการล้างแผลสิ่งสกปรกหมักหมมก็ไปหมักดองอยู่ในแผลกลัดหนองขึ้นมาพอกลัดหนองขึ้นมาฝีโรค สารพัดอย่างก็ตามมาสา ม, มารถที่จะติดเชื้ออย่างอื่นตามอีกมากเพราะฉะนั้นคนที่มีแผลเต็มตัวไปหมดก็อย่าเบื่อหน่ายในการล้างแผลหยาบนะนะชั้นใดก็ดีคนที่ทุศีลมาบ่อยๆไปล่วงบาปล่วงอกุศลบ่อยๆก็อย่าเบื่ อ, อยันหน่ายในการชำระศีลของตัวเองอนะคนที่ล้างแผลเวลาล้างแผลเจ็บปวดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นผลของความปิดพลาดเวลาล้างครั้งหนึ่งก็เจ็บปวดครั้งหนึ่งล้างครั้งหนึ่งก็เจ็บปวดครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าล้างแผลทั่วตัวเลยมันจะเจ็บแสบปวดร้อนขนาดไหนหลายคนทนไม่ได้การชำระศีล ก, ก็ลักษณะเดียวกันนั้นบางคนนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเกี่ยวข้องแต่กับป่าประมีดเกี่ยวข้องกับคนชั่วทั้งหลายเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชั่วช้าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็กลายเป็นของชั่วช้าไปด้วยเหมือนอย่างว่าถ้าเราไปอยู่แต่กับโคลน ก, กับลมกับลมกับกิเลส หรือกับเปลือกกับตมเนี่ยถามว่าเราจะสะอาดได้ไหมสะอาดไม่ได้เพราะเราไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็ได้รับแผลมาเต็มตัวไปหมดก็ต้องหมั่นขยันชะล้างนึกไปแล้วก็ไม่สบายใจนึกไปแล้วก็เศร้าใจว่าไม่น่าเป็นเช่นนั้นเลยแต่นี่แหละเป็นลักษณะของวัตะมันต้องไม่เบื่อไม่หน่ายในการล้างในการสมาทานล้างหมั่นล้างหมั่นสมาทาน จนกว่าจะนึกแล้วไม่กินแหนงตัวเองเลยเนี่ย น, นะชำระจนแผลมันหายไปอาจจะเหลือเป็นแผลเป็นบ้าง่ะเป็นตราไว้ดูต่างหน้าเป็นตราบาปที่เอาไว้ดูต่างใจแต่ก็ช่างมันเถอะเนี่ย น, นะแต่แผลไม่เจ็บไม่ปวดเอาเป็นใช้ได้เพื่อจะได้ไปทำกิจการงานชั้นสูงต่อไปฉันกุศลศีลที่เราปรารภสมาทานอธิษฐานนั้นจนกว่าจะไม่กินแหนงเลย นะถึงลูกไปในสรีระเหมือนกับว่าเคยมีแผลเป็นแต่ก็ไม่เจ็บปวดแล้วนะหมายถึงว่ารักษาแผลแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นแผลเป็นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็หมั่นมาเจริญกรรมฐานต่อไปก็ชําระอย่างนี้แหละศีลชําระความคิดความคิดชําระศีลก็สลับพะเเ้ากันไปจนกว่าศีลจะบริสุทธิ์อย่างแท้จริงศีลบริสุทธ์ อย่างแท้จริงก็คือเนื้พร้อมที่จะเจริญสมาธิได้ทันทีนึกถึงแล้วก็ปราโมทใจอยู่บ่อยๆเนืองๆ น, นึกแล้วก็ดีใจอยู่บ่อยๆเรียกว่าเป็นผู้มีปราโมทในกุศลธรรมนึกแล้วก็อิ่มใจนึกแล้วก็ปราโมทเนึกแล้วก็บันเทิงใจไม่ใช่นึกแล้วก็แบบคนทํางานไม่เสร็จเคยไหมงานเร่งมากจะต้องรีบทําให้เสร็จแล้วมันทําไม่เสร็จอะไรจะเกิดขึ้น อ่านะเร่าๆๆ่าาาาางานบางทีก็ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าใจนี่มันร้อนก่อนฉันได้ผู้ที่ชําระศีลไม่ค่อยดีนี่ก็ลักษณะนั้นนึกแล้วก็มันเร่าร้อนในภายในนึกแล้วก็เดือดร้อนใจในภายในความเดือดร้อนใจในภายในอันนี้บอกตรงๆว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนชั้นสูงบทเรียนชั้นดีที่รีบชําระซะเนี่ยนะรีบชําระ รีบสะสางกายวาจาใจให้ดีหมั่นสมาทานสิ่งใดที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้เป็นอกุศลก็อย่าไปทํามันถ้าทําไปแล้วก็สมาทานว่าจะไม่ขอทําใหม่แต่ก็อย่างว่าในโลกของปุถุชนทั้งหลายโอกาสเพลียงพรานี่บ่อยแล้วซ้ำแล้วซ้ําเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะแต่ก็ไม่เจ็บแต่อะไรนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจําที่ไม่ค่อยจําก็เพราะอะไรเพราะว่า เรายังมีความเห็นว่าสิ่งนั้นมันยังสนุกอยู่สิ่งนั้นมันยังดีอยู่ในความคิดของเรานะถึงจะเจ็บมาแต่ก็แม่เราน่าจะไม่ฉลาดเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็เลยวนไปครั้งแล้วครั้งเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าทุกแล้วทุกเล่เพาพันต้องมันสมาทานสมาทานว่านี้นะนีเน่เป็นผลของบาปเป็นผลของอกุศลเราจะทำบาปทำอกุศลให้ตัวเองไปถึงไหนก็ชาระบ่อยๆชาระกายวาจาใจโหนละลึกนึกถึงศีลของเราทั้งหลาย นั้นถ้าใครที่หมั่นสมาทานศีลห้าเอาไว้บ่อยเนืองนิดนะก็หมั่นระลึกถึงศีลเถอะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ได้เขียนค่าเขาทรัพย์ทั้งหลายของผู้อื่นก็จงเป็นของผู้อื่นบุตรภริยาของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นไปเราจะให้แต่คําสัตว์คําจริงเราจะไม่หาเหตุแห่งความเป็นบ้ามาใส่ตัวการดื่มสุราก็เป็นเหตุแห่งความเป็นบ้าเราก็ไม่ประพฤติสิ่งที่จะสร้างความเป็นบ้ามให้แก่ตัว นันพื้นฐานคนที่สมทานสินห้ารักษาสินห้าก็คือคนที่หนึ่งะสรุปเป็นคนที่ให้อาภัยแก่ชีวิตในเหล่าสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยนะข้อสองให้ทรัพย์สินของผู้อื่นจงเป็นของผู้อื่นตลอดไปให้บุตรภรยาคู่ครองบุตรภรยาของผู้ใดก็ขอจงเป็นของผู้นั้นนะไม่คิดจะก้าวไกลล่วงเกินอะไร สิ่งที่เราพูดสิ่งนั้นจะต้องเป็นคําสัตย์คําจริงเป็นคําที่ไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นหลักเป็นฐานอิง อ, อัดอิงทำเอิงวินัยอิงสังวร น, น, นะเราจะไม่ประทุษร้ายตัวเองด้วยการหายายาเมามาดื่มให้ตัวเองเมาไม่หลงไหลง ง, งวยอะไร น, นะก็ตรวจสอบอันนี้สําหรับผู้ที่รักษาศีลห้าสำหรับรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลแปดมื้อนี้ที่เราลดลงไปก็ชื่อว่าลดวัดตาไปอีกมือนึง นะเพราะว่าขณะที่บริโภคนี้เป็นการเพิ่มวัตตะปัถ้าหากว่าเราลดการบริโภคมื้อเย็นไปมือหนึ่งก็ลดวัตะไปแล้วสักหน่อยหนึ่งะนะถ้าเราเลิกการแต่งตัวอันเป็นฐานะแห่งความประมาทเป็นต้นเนี่ยนะการแต่งตัวเหล่านั้นเราก็บอกว่าลดการแต่งวัตะไปอีกมือหนึ่งะนะลดอาหารก็คือลดการสร้างวัตะลดการเพิ่มวัตะลดการแต่งตัวก็คือลดอะไรลดการประดับประดาวัตตะ ให้ตัวเองนั่นแหละหลงก่อนแต่งตัวให้งามๆนะใครหลงก่อนก็ตัวตัวที่แต่งนั่นแหละหลงซะก่อนเพราะเวลาคนอื่นไม่ชมเนี่ยเดือดร้อนนะเพราะอะไรเพราะตั้งใจจะแต่งหลอกตัวเองแนละ้วตัวเองว่างามแล้วคนอื่นก็ไม่งามด้วยนเนี่เดือดร้อนนะมันก็แบบมันก็ลดแล้วก็ลดการหลงไหลในเมาอ่าเรียกว่าลดอัตสาทในวัตตะด้วยการไม่ฟังนันะนะตัดตัดเสียงที่อะไรนะ เสียงในวัตตะเนี่ยคือเสียงดูดในวัตตะเสียงร้องอะนะเสียงร้องให้ให้ติดหลงไหลในวัตตะเพราะเสียงเพลงทั้งหลายก็เสียงชื่นชมวัตตะนั่นเองเสียงชื่นชมวัตตะว่าวัตตะดีเช่นนี้วัตตะงดงามเช่นนั้นอะนะวัตตะไพเราะอย่างนี้กลิ่นในวัตตะหอมเช่นนี้เช่นนี้รสของวัตตะอร่อยเช่นนั้นเช่นนั้นโพธพาแห่งวัตตะดีเหลือเกินเพราะเสียงเพลงทั้งหลายก็เป็นเสียงเพลงชื่นชมใน วัตตะแ่ก็มีอีกหลายเพลงด้วยกันเพื่ออะไรบอกว่าหวังจากวัตตะมากวัตตะก็ไม่ทําให้เขาสมหวังเลยแต่ก็ยังแอบหวังวัตตะอยู่ร่ำไปเนี่ยนะเขารู้แบบบอกโอ๊ยพิษภัยที่ระรับกจากวัตตะนี่มันรุนแรงเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินแต่ขนาดนั้นก็ไม่อิ่มอนนะไม่อิ่มจะขอปราถนาอะไรนะหวังให้ได้พบวัตตะที่ไม่สร้างความผิดหวังให้ ตัวเขาคิดว่าเออเขานี่เจ็บปวดมาจากวัตฏะเลอเกินแต่ก็หวังอยู่ว่าขอให้ได้พบวัตฏะที่ไม่สร้างความทุกข์มาให้ก็แอบหวังอยู่อย่างนี้ร่ําไปเั้าะเสียงครวนในโลกนี้ก็เป็นลักษณะนั้นพอมามีความรู้สึกว่าเสียงเพลงในโลกกับเสียงครวนของคนที่เฝ้าวัตฏะไม่ต่างกันนะครวนด้วยความผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะทั้งผิดหวังและสมหวังสลับแคละเคล้ากันไปของผู้ที่อยู่ในวัตฏะ ไปตามชนบทหลายๆแห่งเนี่ยนะแผ่นดินมันก็แห้งแล้งอาหารการกินก็ยากยากแดดก็ร้อนระอุไปหมดเลยทํายังไงเข้าจิตใจจะได้สดชื่นอยู่บ้างก็เปิดเพลงนี่แหละเปิดเสียงเพลงกล่อมใจตัวเองให้บอกตรงนั้นคือสวรรค์อยู่นะนะทั้งแห้งแล้งก็แห้งแล้งอาหารก็อดอยากทํามาหากินก็ยากลําบากมัวเมาเอือ คนเมากว่าเยอะยาเสพติดก็มากมีแก่การทะเลาะการด่าแก่งแย่งกันแต่ก็พยายามสแสวงหาเพลงมาเปิดเพื่อจะกล่อมมาตรงนั้นคือสวรรค์บนดินนะฮะเพลงมากล่อมตัวเองฮั้นคนที่รักษาศีลก็เริ่มรู้ว่าเออเนี่ยพิษภัยของวัฏฏะจริงๆนี่เป็นเช่นนี้พิษภัยของวัฏฏะเป็นเช่นนี้เนี่ยนะแล้วก็การลดการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นสัำลีเป็นต้นอันนั้นก็เป็นการลดมานะเนี่ยนะลดความ ว่าเรานี่คือผู้มีความประส อ, อะไรนะความสําเร็จในวัตฏะในเป็นอย่างดีเพราะเราจะต้องนั่งบนที่นั่งในวัตฏะชั้นเลิศเนี่ยนะนอนบนวัตฏะชั้นเลิศจากว่านอนเฝ้ามาหาพูดอย่างดีนะได้ผีชั้นดีมานอนทับอย่างเงี้ยนะได้ที่นอนได้ผีชั้นดีมานั่งทับอะไรเป็ น, นั้นเพรันธะไข้ครวญไปดีๆเนี่ยศีลแปทั้งหลายนี่ก็ช่วยให้ขัดเกลาวัวดตัวเองจากวัตฏะไปเยอะเนี่ยนะ เพราะสิ่งใดก็ตามที่ถ้าเราไม่งดเว้นเราจะเดือดร้อนเป็นแน่เช่นถ้าเราฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยเดี๋ยวก็เดือดร้อนจนได้ถ้าเราไปรักทรัพย์ผู้อื่นทรัพย์ของผู้อื่นนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเนี่ยนะไปรักทรัพย์ผู้อื่นนี่เป็นที่ตั้งเดือดร้อนเของมายังร้อนใจอยู่ถึงทุกวันเลยเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งไปลักไอ้มันแก้วอ่ะนะมันแก้วที่เขาเคี้ยวดิบๆอะ่ะเราก็ไปกับน้องชายสองคนที่ท้องนา เออเจ้าของเขาไม่มาแล้วห่างจากบ้านเกือบกิโลหนึ่งอะนะเจ้าของเราก็เลยชวนน้องขโมยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยนึกถึงไอ้จอมปลวกจอมนั้นแล้วก็ไม่สบายใจมาจนถึงทุกวันบางทีไม่ตั้งใจนึกมันก็แวบไปละนั่นนะมันแก้วอยู่ก้อนเดียวเนี่ยใหญ่กว่านาฬิกาหน่อยหนึ่งแกนี้นึกเศร้าใจมาถึงทุกวันเลยเพราะถ้าหากว่าเราไปทําบาปทําอกุศลมาอะไรก็ช่างเถอะมันจะใหญ่มันจะโตมันจะเล็กจะน้อยมูลค่ากี่บาทกี่สลึงก็ช่างมันเถอะ แต่ว่าที่แน่ๆมันนามาซึ่งความเดือดร้อนใจจนได้ น, นะถ้าเราคิดว่าเออถ้าจุติโดยที่มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปไหนดีนะอย่าไปคิดว่าเราเราจะเบียดเบียนตัวเองไปถึงไหนเนาะเนี่ยนะชาิหน้าเรื่องเฉพาะตัวเราคิดดีๆนะว่าโลกของผู้ธศาสนาจะแสดงว่าตอนที่เรามาพบนี้เรามาคนเดียวไม่ใช่หรื อ, อ น, นะเรามาคนเดียวแท้จริงบางคนบอกเขาเถียงบอกไม่ใช่เขามาตั้งสองมีคู่แฝดมาด้วย บางคนบอกมาสี่เลยแฝดสี่มาแต่ก็ชื่อว่ามาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะปั้นก็บอกว่าถ้างั้นนะพวกปลาบอกฉันมาเยอะกว่าพวกคุณอีกเหมแต่ว่ายังไงยังไงว่าโดยสรุปก็มาแต่เพียงผู้เดียวมาสแสวงหายาดข้างหน้ามาสแสวงหามิดข้างหน้าสแสวงหาเพื่อนต่อไปข้างหน้าเหมือนเหมือนอะไรเหมือนคนที่ส่งลูกไปเรียนวันแรกเนี่ยนะ ส่งเร็วไปอยู่ในโรงเรียนวันแรกเด็กคนนั้นเขาเหมือนตัวคนเดียวเลยนะเงาเข้าไปในโรงเรียนอีกภากหนึ่งก็ไปหาพวกเอาไปข้างหน้าต่อไปเหมือนไปอยู่ต่างประเทศใชก็ทีแรกก็ไปคนเดียวแล้วก็ไปหาเอาพวกพ้องต่อไปข้างหน้าชีวิตเริ่มต้นของแต่ละคนนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อไปเริ่มต้นเราจะไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะตอนแรกพอหาพวกได้เยอะๆใช่ไหมพอเกิดมาหาพวกได้เยอะก็ไปคนเดียวต่อ อ่นะไปสร้างพบสร้างชาติอยู่ที่ใดมีพวกมีพ้องมีเพื่อนมีครอบครัวมีอะไรเยอะแต่ก็ไปคนเดียวต่ออ่ะนะชีวิตในวัฏฏะก็เป็นอย่างนี้แหลนะอยู่พวกมากแล้วก็ไปคนเดียวอยู่พวกมากแล้วก็ไปคนเดียวอยู่อย่างนี้เรียกว่าโลกธรรมเมื่อโลกธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเราไปคนเดียวเนี่ยถ้าเราไปแบบคนมีตราบาบติดตัวเนี่ยนะเราก็คือไปในฐานะนักโทษของที่นั่นนะเป็นนักนักโทษของที่นั่นไปในฐานะ จำเลยของที่นั่นมันก็ไม่ดีอะไรเพรา ะ, ะนนในการทุ่ศีลทั้งหลายเนี่ยคือการสร้างความเป็นนักโทษให้แก่ตัวเองตลอดไปสมมติถ้าเราฆ่าสัตว์เอาไว้มากๆเนี่ยนะอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสกอยู่คนหนึ่งกลางคืนอุบาสกคนนี้ฟังธรรมทั้งคืนพอฟังธรรมเนี่ยนะเช้ากลับบ้านระหว่างที่เดินทางกลับบ้านเนี่ยนะทหารก็มาจับเอาไป เอาไปตัดคอเลยนะไม่มีการสอบสวนไม่อะไรไปถึงตัดคอเลยก็บอกแกเนี่ยไปปล้นมาแล้วก็ในคืนนั้นก็มีการปล้นในในในหมู่บ้านจริงแต่อุบาสกคนนี้เนี่ยมาฟังธรรมทั้งคืนกลับบ้านถูกปล้นบางคนก็จะตำเหน็นนี่ถ้าเขาไม่มาฟังธรรมนะเขาไม่ถูกฆ่าหรอกอนะเรื่องก็ถึงพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็บอกว่าอุบาสกคนนี้ตายไม่สมควรในชาตินี้ก็จริงแต่สมควรแล้วใน อดีตชาติเพราะอดีตชาติไม้ปองผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าสามีของเขาไปนะโดยที่วางแผนเพื่อจะฆ่าสามีของเขาไปเพรันกรรมอันนั้นได้สมควรแก่อุบาสกคนนี้แล้วนะอันนี้เศษกรรมนะไอ้ตัวกรรมหลักๆก็ตกนรกไปแล้วละ่ะนะเศษเศษมาก็เนี่ยมาฟังทำกลับบ้านยังเอาไปตัดหัวเลยเพันก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นจำเลยใช่สร้างสร้างให้ตัวเองเป็นนักโทษ เขาตามทันเมื่อไหร่เขาก็ตัดหัวที่นั่นนี่ผลของปานาติบาตอย่างเบาเนี่ยนะาตามทันที่ใดก็ถูกปานาติบาตเท่าที่นั่นถ้าอธินนาทานนะอธินนาทานอธินนาทานเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่ใดเนี่ยนะทรัพย์สินของเราก็ถูกริบที่นั่นถ้าถ้าถ้าอธินนาทานมันตามไม่ผลเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทูศีลเนี่ยจึงเป็นคนที่เดือดร้อนมากๆเลยในในตอนหลังมีทรัพย์ทรัพย์กว่าเสียหาย เหมือนอย่างว่ามีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหมไอหลังก็กรโรกรสอยู่เต็มทีอยู่แล้วมันแทบจะไม่พอหลับพอนอนไฟไหมซะจนไม่มีที่หลับที่นอนจริงๆนะเห็นไหมตรงนั้นแหะเลี้ยวซ้ายไปมันจะมีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่อื่นๆ อ, อ, อีกไม่ใช่น้อยที่เป็นลักษณะนั้นนั่นเป็นเศษอย่างเบาของอธินาทานเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอธินาทานไว้สักครั้งสองครั้งหรือสิบครั้งก็ตามทรับย์สินที่เรามีอยู่เตรียมพินาศได้เลย น้ำก็มาทำลายทรัพย์สินของเราได้ใช่ไหยน้ำท่วมน้ำท่วมสัตว์เอาไปไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้น้ําน้ําก็เอาไปหมดเลยแหละอย่างตอนนี้ใช่ไหมหลายหลายแห่งเนี่ยน้าท่วมกําลังเสียหายประเทศไทยนี่น้ําท่วมเกือบทั้งปีเลยนะแต่ว่าคนละภาคแค่ น, นั้นแหละนั้นก็เศษอย่างเบาของอธินาทานเศษอย่างเบาของการลักขโมยชอบปล้นโกงเข้ามาเป็นต้นเนี่ยนะ แผ่นดินน่ะแผ่นดินทําให้เสียหายได้ไหมตึกถลม่มแผ่นดินทลายอะไรทั้งหลายก็ทําให้ทรัพย์สินพร้อมที่จะเสียหายเสียหายเพราะไฟก็ไฟไหมน้ําท่วมลมพัดพายุพัดมาจนทําให้ทรัพย์สินเสียหายเหมือนกับที่เราแวะไปที่อะไรนะแหลมตะลุมพุกไงว่าตรงนั้นก็เคยคนมีตายเป็นพันไปอันนั้นก็เศษอย่างเบาๆของอะทินนาธานแม้กระทั่งว่าทรัพย์สินที่ ที่มีอยู่ก็ทำให้เสียหายโดยประการทั้งปวงังั้นคนที่รักทรัพย์เอาไว้เนี่ยจึงเป็นคนที่น่าสงสารเขาสแสวงหาสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่เป็นของเขาสแสวงหารถรถก็จะไม่เป็นของเขาเพราะรถมันหายเป็นต้นเนี่ยนะรถถูกโจรกรรมรถถูกทุบถู ก, ถ ก, ถกจะเสียหายหมดเขาสแสวงหาสิ่งใดมีแต่สิ่งนั้นมีแต่เสียหายสแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ก็ไม่เหลือมีผ้าผ้าก็หาย เขาบอกว่าอย่าว่อย่างอื่นเลยมีกางเกงใส่อยู่ในตัวเขายังถอดเอาไปเลยนะนนะมันมากเอาขนาดนั้นเคยบางคนถูกปล้นหมดตัวมาเลยมีไหมมีก็ถูกปล้นซะไม่มีเหลืออะไรเลยก็มี น, นะถูกปล้นไม่มีเหลือแล้วก็ยังป้ายร้ายป้ายสีว่าแกคือนักโทษอีกต่างหาเนี่ยนะแกะคือผู้ก่อการร้ายทั้งๆ้ที่ถูกโกง้งหมดตัวแล้วก็ยังมีคดีติดตัวอีกตั้งหลายตัวเนี่ย น, นะอันนั้นคือผลเสดอย่างเบาของอะทินนาทาน มีอะไรทราบินใดๆทราบสินเหล่านั้นก็ไม่มีเหลือที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออเนี่ยทุศีลมันเลวอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าสงสารเราทั้งหลายในอนาคตเนี่ยนะเพราะไอ้ความเดือดร้อนอันนี้พระองค์พ้นแล้วแต่คนอื่นละ่ะคนอื่นที่ยังท่องเที่ยวไปในวัตฏะยังไม่พน้นเพราะฉะนั้นใครที่สมาทานศีลเนี่ยนะตัดเวรออกไปตัดความเสียหายออกไปอย่างคนที่เขาผิดการมเมื่อสมิฉาจาร์มากๆเนี่ยนะคืออะไร คือสร้างศัตรูให้แก่ตัวเองก็ก็คิดแบบภาษาชาวบ้านตรงๆเลยก็คือว่าใครที่ไปผิดกาเมกับลูกใครเมียใครเนี่ยคนนั้นจะเป็นที่ชื่นชมของบ้านนั้นไหมโอ้ยเขาเกลียดยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยนะเขาเกลียดยิ่งกว่าสารพัดชนิดในโลกเนี่รังเกียจมากท่านถ้าสร้างเหตุที่น่ารังเกียจให้แก่ผู้อื่นเอาไว้ชาติต่อๆไปตัวเองจะเป็นคนที่น่ารังเกียจณนะ์เมื่อเข้าไปณนะถิ่นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น ตัวเองจะเป็นผู้ที่คนอื่นเขารังเกียจชิงชังเป็นที่น่าเกลียดของของของคน ท, ท, ทั่วไปก็เหมือนกับศัพท์เดรัจฉานหลายๆตัวใช่ไหมเข้าไปที่ใดก็มีคนรังเกียจฉันใดผู้ที่ทําการมีสุมิจฉาจานเอาไว้มากๆเศษอย่างเบาๆก็เป็นที่รังเกียจของชุมนุ่มชนของประชาชนทั้งหลายเป็นที่รังเกียจฉันนั้นทีนี้ถ้าทําเหตุคือมุสาวาตเอาไว้มากๆเนี่ยนะจะถูกหลอกอีกปานใดเนี่ย จะต้องไปเที่ยวถูกเขาหลอกถูกเขาลวงถูกเขาพูดแต่สิ่งที่ไม่จริงมาให้ความหวังลมๆแรงๆแล้วก็สิ่งนั้นไม่ใช่ความจริงเข้าก็กลายกลายเป็นคนว่าเกิดมาถูกหลอกตลอดชาติเนี่ยนะถูกหวังให้หวังลมๆแรงๆว่าเหมือนกับว่าบอกไปไปเธอไปถึงข้างหน้าแล้วจะมีน้ําไปจริงๆก็ไม่มีแห่งแรงเหตุว่าไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยก็ถูกเขาหลอกอยู่อย่างนี้ทั้งชาติเห็นไหมเหมือนกับประเทศไทยก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมถูกหลอกว่าไง ไปเถอะไปต่างประเทศแล้วจะรวยเนี่ยนะจะรวยจะรวยขายนาเธอเนี่ยนะจำนำนาเธอะแล้วจะรวยหมดไปหลายแสนก็มันไม่รวยจริงเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเป็นผลอย่างเบาของมุสาวาท